กาที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่วิเศษเป็นโชคคาาบอันยิ่งใหญ่เพราะประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้ เป็นประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถให้กับเราได้ประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพวกเราก็คือการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญเงินทองกองเท่าภูเขามีตำแหน่งเป็นถึงประธานาธิบดีพระราชามหาษักษ์ก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไปได้ การได้พบกับพระพุทธศาสนานี้จึงดีกว่าการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งที่เราได้รับก็คือเงินทองร้อยล้านพันล้านแต่เงินทองนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ดับได้ก็เพียงแต่ ความทุกข์ทางร่างกายแต่ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้นอกจากจะไม่สามารถดับความทุกข์ใจแล้วยังกลับจะสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็ได้พอเวลาที่เรามีทรัพย์มากๆเราก็ต้องมีความระมัดระวังมีความวิตกกังวล กลัวที่จะสูญเสียทรัพย์ที่หามาได้ไปบางคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเช่นในสหรัฐเขาจะเก็บตัวเขาจะไม่ออกมารับรางวัลทิ้งไว้ระยะหนึ่งก่อนให้ข่าวคราวมันสงบลงไปก่อนแล้วค่อยออกมารับรางวัล เพราที่นั่นเวลารับรางวัลนี้จะต้องเปิดเผยจะต้องมีผู้รับรู้จะต้องออกข่าวพอออกข่าวคนก็จะรู้กันว่าเป็นใครโดยเฉพาะช่วงที่ออกมาใหม่ๆออกรางวัลมาใหม่ๆรางวัลใหญ่ๆนี่คนจะคอยติดตามข่าวกัน ช่วงนั้นเขาจะไม่กล้าออกมาเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะจะมีคนหลายแบบด้วยกันที่จะเจ้าเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์จากผู้ที่ได้รอบรางวัลซึ่งเมื่อประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์วันที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่ออกไปแล้ว สองสามเดือนค่อยออกมารับรางวัลแล้วต้องมีทนายมีอะไรหลายอย่างเป็นที่ปรึกษาอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วเป็นความยุ่งยากลำบากใจถ้าไม่ถูกก็อยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นมา แต่พอมีแล้วเรื่องของการที่จะต้องคอยดูแลจัดการบริหารทรัพย์ที่ได้มาก็เป็นเรื่องวุ่นวายใจขึ้นมาได้นี่คือรางวัลที่หนึ่งผลที่เราได้รับจากรางวัลที่หนึ่งไม่ได้ทำให้ความทุกข์น้อยลงไปแต่กลับจะทำให้ความทุก ใจมีเพิ่มมากขึ้นไปส่วนการที่ได้พบกับพระพุทธศาสนานี้จะทําให้ความทุกข์ภายในใจของเรานี้น้อยลงไปตามลําดับเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นรู้จักวิธีที่จะทําให้ความทุกข์ต่างๆภายในใจของพวกเรานั้นดับไปได้หมด นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครรู้มาก่อนต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปเรื่องของการดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจแล้วนำเอาวิธีการดับความทุกข์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังและมีศรัทธาความเชื่อ น้อมนาเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้อย่างราบคาบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระไถยของพระองค์ได้อย่างราบคาบก่อนที่พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ เป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นพระราชโอรสมีความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเต็มเปี่ยมแต่ความทุกข์ภายในใจนั้นก็ไม่ไม่หายไปจากการมีความสุขทางร่างกายแต่กลับจะทําให้ มีความทุกข์ทางใจเพิ่มมากขึ้นเพราะจะมีความวิตกกังวลกับสภาพที่ไม่แน่นอนกับสถานภาพของการเป็นกษัตริย์ที่ไม่แน่นอนเพราะอาจจะมีผู้ที่ไม่หวังดีผู้ที่ปรารถนาที่จะมายึดอำนาจมาเอาสิ่ง ต่างๆที่พระองค์ทรงมีอยู่นี้ไปได้ความคิดความวิตกก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาพราะองค์จึงทรงเห็นว่าการมีความสุขทางร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจได้จึงทรงศึกษา กสงคนพบว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้นั้นจะต้องไม่มีทรัพย์สมบัติหรือไม่มีความสุขทางร่างกายคือไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขนั้นก็จะเสื่อมลงไปตามการตามเวลาร่างกายต่อไปก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปในที่สุดความสุขต่างๆ ที่ได้จากการมีร่างกายมีทรัพย์มีราบมียศมีสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะให้เสพก็จะหมดไปเพราะร่างกายจะไม่สามารถที่จะเสพได้พอไม่มีความสุขจากสิ่งเหล่านี้ใจก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ ไม่เชื่อลองอยู่คนเดียวดูเราเคยมีความสุขกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ลองเราไปอยู่คนเดียวดูเมืกลับไปติดคุกติดตารางดูดูซิว่าเราจะมีความสุขใจหรือไม่พอเราขาดสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเราเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาภายในใจ ใจของเราก็จะทุกขขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่ร่างกายก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เป็นอะไรแต่พอไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขความทุกข์ภายในใจก็จะเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงศึกษาและได้ทรงค้นพบว่า วิธีที่จะทำให้ใจนั้นมีความสุขไม่มีความทุกข์นั้นต้องอยู่แบบไม่มีอะไรต้องไม่พึ่งสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าพึ่งสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาเสื่อมไปเวลาเขาหมดไปเวลานั้นใจก็จะต้องเดือดร้อนขึ้นมาอย่างแน่นอน องค์ก็เลยส่งไปศึกษากับนักบวชที่รู้ว่าการมีความสุขทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการมีความสุขทางใจการจะมีความสุขทางใจได้นั้นจะต้องสละความสุขทางร่างกายไปสละลาบยศสรรเสริญสละ รูปเสียงกิ่นลดปวดทพะไปแล้วก็ไปควบคุมใจทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบให้ได้เพราะเวลาที่ใจนิ่งใจสงบแล้วนี่ใจจะมีความสุขอย่างยิ่งเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองนั่นเป็นสาเหต ที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากพระราชวังสละความสุขทางร่างกายไปแล้วไปหาความสุขทางใจด้วยความอดทนด้วยความขยันหมั่นเพียรที่จะคอยควบคุมความคิดต่างๆของใจ ไม่ให้คิดไปหาความสุขทางร่างกายให้ใจหยุดคิดถึงความสุขต่างๆที่เคยได้รับผ่านทางร่างกายพยายามควบคุมใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งใจสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญ ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพต่างๆมาให้เสพให้ความสุขพอได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะสามารถรักษาความสงบความสุขนั้นไปได้ตลอดไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรต่อไปใจก็จะไม่เดือดร้อน พอใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขใจสามารถหาความสุขได้ด้วยตนเองด้วยทมที่เป็นเครื่องคอยกำกับใจให้ตั้งอยู่ในความสงบทมที่ทำให้ใจตั้งอยู่ในความสงบนั้นก็คือสติ สมาธิและปัญญาในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆพระอาจารย์ต่างๆก็รู้จักวิธีทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิด้วยการใช้สติควบคุมบังคับความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ, ๆให้ระ ง, งับให้หยุดพอ ใจละงับจากความคิดปรุงแต่งแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิแต่การอยู่ในสมาธินั้นก็อยู่ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานก็ต้องออกมาพอออกมาก็ต้องคอยควบคุมด้วยสติต่อไปถ้าอยากจะให้ใจสงบ อยากจะให้ใจไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของใจเองพอไปคิดถึงความอยากจะเสพความสุขทางร่างกายแล้วไม่ได้เสพใจก็จะเกิดความกวนกวายกระสับกระส่ายเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจหรือเกิดความเศร้าส้อยง่อยเหงาว้าเหว่ขึ้นมาทันที ออกจากสมาธิถ้าเกิดอา ก, การเหล่านี้ก็ต้องใช้สติคอยควบคุมแต่การใช้สตินี้มันก็จะต้องใช้ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบนะเวลาใดที่เผลอสติเวลานั้นใจก็จะออกไปคิดทางความอยากต่างๆทันทีแล้วก็จะเกิดความทุกใจทันที ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หายไปหมดไปได้อย่างท้าวอนโดยที่ไม่ต้องใช้สติมาคอยควบคุมบังคับพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ายังมีปัญหาอยู่ถึงแม้ว่าจะได้ความสงบได้ความสุขจากความสงบก็เป็นชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิมาพอเวลาที่เผลอไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาได้แล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้พ่อองค์จึงพยายามศึกษาค้นคว้าหาสาเหตุดูว่าทำไมใจถึงยังไปอยาก หาความสุขต่างๆเหล่านั้นอยู่ก็เลยพิจารณาไปว่าเพราะไม่เห็นว่าความสุขต่างๆเหล่านั้นเป็นความทุกข์เป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าเป็นความสุขที่ต้องอาศัยร่างกายผลิตหรือสร้างขึ้นมาต้องมีตาดูถึงจะมีความสุข ตาดูรูปหูฟังเสียงแต่ถ้าตาไม่ดีหรือหูไม่ดีก็จะไม่สามารถที่จะดูรูปหรือฟังเสียงได้พระพุทธเจ้าก็เลยทรงพิจารณาเห็นว่าความสุขที่ใจอยากไปหานั้นเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว มันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเห็นโทษของความอยากก็เลยพยายามสอนใจไม่ให้ทําตามความอยากพอไม่ทําตามความอยาก ความอยากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงไปและหมดไปในที่สุดพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะไม่คิดไปในทางความอยากเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์หรือถ้าจะคิดไปในความทางความอยากใจก็จะรู้ทันทีว่าเป็นการคิดผิดทาง เป็นการคิดไปหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการคิดไปหาความสุขก็จะไม่กล้าคิดไปในทางความอยากเช่นความอยากที่จะเส่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพระชนิดต่างๆที่เรียกว่ากามัตันหาหรือความอยากที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้หรือตัวเรานั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่า สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลาจะต้องมีบางเวลาที่เราจะไม่สามารถทำตามความอยากเราได้พอทำไม่ได้ก็จะเกิดความทุกขขึ้นมาเช่นเดียวกับความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ หรือตัวเราเองไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เช่นไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตายไม่อยากให้ร่างกายของเราแก่ร่างกายของเราเจ็บร่างกายของเราตายไม่อยากพัดพากจากของที่เรารักคือไม่อยากจะสูญเสียลาบยศสรรเสริญไม่อยากจะสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย และสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เสมอไปไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องมีวันที่จะต้องเสื่อมจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องเสื่อมจากเขาไปเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์อยู่ดี นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ทรงเห็นว่าสิ่งที่จะทำให้ใจของพวกเราทุกคนน้ทุกก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตระพูความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้หรือไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ถ้าตราบใดเรารู้ทันแล้วว่า ความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราแล้วเราสามารถที่จะฝืนมันได้หยุดมันได้เราก็จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจต่างๆของเราให้หมดไปได้แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเราไม่ต้องไปหาลาบหายดษาสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะ พระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสรตวแล้วนั้นไม่เคยคิดที่จะกลับไปอยู่ในพระราชวาวังอีกเลยไม่เคยคิดที่จะไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระมาหาจักรพรรดิตั้งทั้งที่พระองค์ทรงมีพระธรรมีพระบารมีที่จะสามารถเป็นพระมาหาจากักรพรรดิได้แต่พระองค์กลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข นี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสละเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงล้วนเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปถ้าไปติด ไปอยากกับสิ่งเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าจะต้องพบกับความทุกข์อย่างแน่นอนนี่คือปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้นพอกําจัดความอยากต่างๆหรือสามารถหยุดความอยากต่างๆทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาได้ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีอีกต่อไปก็ไม่จาเป็นที่จะต้องมาใช้สติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิด หามารปล่อยให้คิดได้อย่างอิสระเพราะว่าถ้าเกิดคิดไปในทางที่ไม่ดีใจก็จะรู้ทันทันทีรู้ว่ากำลังเดินเข้าสู่กองไฟคิดแบบนี้เดินเข้าสู่กองไฟก็หยุดคิดเท่านั้นเองเพอหยุดคิดแล้วความทุกข์ต่างๆปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆมันก็จะหายไปนี่คือสิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะสามารถมาสอนมาบอกพวกเราได้วิชาความรู้ต่างๆที่สอนตามมาหาวิทยาลัยต่างๆถึงแม้จะเป็นมาหาวิทยาลัยระดับที่หนึ่งของโลกกต็ตามก็จะไม่มีวิชาของพระพุทธเจ้านี้มาสอนกันเพราะเขาไม่รู้ถึงคุณถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลของ ความรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วว่าเพราะว่าหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีความปรารถนาที่อยากจะมาดับความทุกข์ใจต่างๆด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าเขากลับอยากจะดับความทุกข์ใจต่างๆด้วยวิธีการของโลกของกิเลสตัณหาก็คือการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุข ทางตาหูจะบูกลิ้นกายกันโลกตอนนี้จึงเจริญไปในทางลาบยศสรรเสริญจเจริญไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพะกันแต่จิตใจนี้กับวุ่นวายกับเดือดร้อนกันมากขึ้นไปตามลำดับโดยที่ไม่มีไม่มีใครรู้โดยไม่รู้สึกตัวว่ากำลังวุ่นวายกาลังทุกข์กันคิดว่ากำลัง มีความสุขกันแต่ความสุขที่ได้มันเป็นความสุขที่บังความทุกข์เอาไว้เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาแล้วก็ต้องมาวุ่นวายมากังวลมาเดือดร้อนกับการหากับการดูแลรักษาและกับการสูญเสียสิ่งที่หามาได้ ดังนั้นถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้พิจารณาจนเห็นว่าเป็นคําสอนที่เลิศที่วิเศษที่จะนําสิ่งที่เราต้องการให้กับเราได้คือความสุขที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงก็คือความดับทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรานี้เองเพราะถ้าเมื่อไม่มีความทุกข์ใจแล้วมันก็จะมีแต่ความสุขใจอยู่ภายในใจดังนั้นเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราควรจะกระทำก็คือมันศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มาก เพื่อให้เราได้เข้า อ, อกเข้าใจอย่างชัดเจนว่าวิธีของการทำให้เรามีความสุขใจวิธีที่จะทำให้เราไม่มีความทุกข์ใจนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติดูเมื่อเราปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องมีการปฏิบัติถึงจะทำให้เราเห็นผลการศึกษานีนเพียงอย่างเดียวยังไม่พอเพียงเหมือนกับการดูรายชื่อของอาหารหรือดูวิธีทำอาหารทำกับข้าวต่างๆแต่ถ้าไม่เอาไปกระทำกับข้าวเหล่านั้นก็จะไม่ สำเร็จขึ้นมาอาหารที่เราอยากจะรับประทานก็ยังจะไม่เป็นขึ้นมาอาหารที่เราต้องการจะรับประทานที่จะให้ความอิ่มเอิบแก่ร่างกายนี้จะต้องเกิดจากการศึกษาวิธีทํากับข้าวกับปลาพอรู้จักวิธีทํากับข้าวกับปลาแล้วเราก็ไปทําตามที่เราได้เรียนรู้มา ไปซื้อกับข้าวไปซื้อของต่างๆที่จะมาทํากับข้าวกับป่า น, นั้นพอเราทําแล้วเราก็จะได้อาหารอันโอชะแล้วพอเรารับประทานเขาเราก็จะได้รับความอิ่มได้ความสบายทางร่างกายไปหลังใดการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับการทาอาหารให้แก่ใจนั่นเอง ทำอาหารให้แก่ใจเพื่อให้ใจได้รับประทานอาหารอันโอช ะ, อะเมื่อได้รับประทานแล้วใจก็จะเกิดความอิ่มเกิดความสุขขึ้นมาดังนั้นพอเราได้ศึกษาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือเราจะต้องปฏิบัติการปฏิบัติท่านก็สอนตามกาลังของเราเราอยู่ใน ขั้นไหนเราก็ปฏิบัติไปตามขั้นนั้นเพราะจิตใจของพวกเรานี้แต่ละคนในอดีตชาติเราอาจจะเคยได้ศึกษาได้ปฏิบัติวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติมาบ้างแล้วก็ได้ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนเพราะว่า เวลาเราปฏิบัติถ้าขั้นไหนที่มันง่ายเราก็จะรู้ว่ามันเราเคยผ่านมาแล้วมันถึงง่ายขั้นไหนที่มันยากก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ผ่านมาเราก็ต้องทําขั้นที่ยากให้มันเป็นขั้นที่ง่ายให้ได้ต่อไปการปฏิบัตินี้มันก็จะพาเราขึ้นไปตามขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุด ขั้นที่ขั้นต้นหรือขั้นแรกนี้ก็คือการทําทานการแบ่งปันการแบ่งปันนี้ให้แบ่งปันในสิ่งที่เรามีเหลือหรือมีเกินต่อความจำเป็นของเรารเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งของต่างๆไว้เลี้ยงดูร่างกายของเรา พอเรามีพอเพียงแล้วแล้วมีส่วนเกินที่เราจะไม่ได้ใช้ส่วนนั้นเราก็เอาไปทำทานกันเพราะการทำทานจะทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์ลดน้อยลงเพราะจะทำให้เราไม่โลภอยากจะได้สิ่งต่างๆมากเกินความจําเป็นนั่นเอง และจะทำให้เราไม่ต้องมากังวลกับสิ่งที่ไม่จาเป็นที่เราจะต้องคอยดูแลรักษาเพราะเราเอาสิ่งเกินนี้ไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นความทุกข์ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆที่เรามีเกินไปนี้ก็จะหมดไปถ้าเรายังเก็บไว้อยู่เราก็ต้องคอยดูแลรักษาก็จะมีความ กังวลอยู่กับสิ่งที่เรายังมีอยู่แต่ถ้าเราเอาสละไปให้แก่ผู้อื่นความกังวลอ น, นั้นก็จะหมดไปความสบายอกสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วจะทำให้เราไม่โลภอยากจะได้ของที่มันเกินความจำเป็นแล้วจะทำให้เรานี้มีความคิดที่ดีต่อผู้อื่น การแบ่งปันการให้สิ่งต่างๆแก่ผู้อื่นนี้เป็นการสร้างความเมตตาสร้างความปรารถนาดีกับผู้อื่นจะทำให้เราสามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติขั้นที่สองต่อไปได้ก็คือการรักษาศีลหรือการละจากการทำบาปเพราะคนที่ทำทานทำบุญนี้ จะไม่ชอบทําบาปจะไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเพราะคนทาบุญนี้ชอบให้คนอื่นมีความสุขอยากให้คนอื่นสบายก็เลยแบ่งสิ่งที่เรามีอยู่ให้เขาไปเช่นเห็นเขาไม่มีเสื้อผ้าเรามีเสื้อผ้าเหลือใช้เราก็ให้เขาไปพอเขามีเสื้อผ้าใส่เขาก็จะสบายขึ้น ขาดแคลนอาหารเราพอจะแบ่งอาหารให้เขาได้ก็จะทําให้เขาสบายขึ้นใจก็จะมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะทําให้การปฏิบัติขั้นที่สองคือการรักษาศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายจะไม่อยากจะฆ่าผู้อื่นจะไม่อยากจะเอาทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยว กับสามีภรรยาหรือบุตรธิดาของผู้อื่นจะไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นจะไม่เสพสุรายาเม่าเพื่อไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นอันนี้เป็นสิ่งที่จะตามมาคือจะทำให้เราก้าวขึ้นขึ้นสู่ขั้นที่สองได้อย่างง่ายดายคือการรักษาศีลถ้าเราไม่ชอบทำบุญทำทาน เราก็จะเป็นคนที่ใจจืดใจดำเพราะเราอยากจะหวงเก็บข้าวเก็บของเก็บสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้มันเราก็ยังหวงมันอยู่ได้ยังโลภอยากจะให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปมันก็จะทำให้เราเป็นคนใจจืดใจดำไร้ความเมตตาจะทำให้เรานี้ ไม่คำนึงถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้เพราะความอยากได้สิ่งที่เราต้องการนั้นมีความรุนแรงมากทำให้เราไม่คิดถึงความเสียหายของผู้อื่นก่อนที่ไม่ทำทานนี้จึงมักจะทำบาปไปด้วย เพราะมีความโลภมากความอยากมากหรือความหวงความตันหนีมากจะทําให้ทําทุกวิถีทางที่จะปกป้องรักษาทรัพย์ของตนถึงถ้าต้องมีกับทําบาปก็จะไม่กลัวบาปเพราะต้องการที่จะรักษาหรือต้องการที่จะให้มีทรัพย์เพิ่มมากขึ้นอันนี้จึงต้องทําทานก่อน เพื่อทำให้ใจมีความเมตตาทำให้ใจลดความโลภความอยากได้สิ่งของต่างๆที่มากเกินความจำเป็นและลดความตนีความหวงในของที่เราไม่ได้ใช้ของที่เป็นส่วนเกินไปอันนี้ถ้าไม่ทำทานแล้วจะจะรักษาศินได้ยากกว่าคนที่ทำทาน คอนที่ทำทานเป็นประจำนี้จะรักษาศีลได้ง่ายและพอได้รักษาศีลก็จะระงับความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากการทำบาปได้เวลาเราทำบาปนี้ใจของเราจะไม่สบายเราจะมีความวิตกกังวลกลัววิบากกรรมกลัวผลของบาปจะเกิดขึ้นกับเรา อันนี้ก็เลยทำให้ใจไม่สงบแต่ถ้ารักษาศีลได้และเว้นจากการทำบาปได้ก็จะทำให้ใจมีความสงบ ก, ก็จะทำให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งการทำทานก็ทำให้ใจสงบในระดับแรกคือไม่ต้องมาวิตกกังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมาวุ่นวายกับการ อยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเพราะคนที่ทำทานแล้วนี้จะไม่อยากได้มากอยากจะได้พอประมาณพอต่อความต้องการก็พอถ้ามีมากเกินไปก็จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไปใจก็จะเย็นใจสบายแล้วพอไม่ทำบาปได้ด้วยก็ยิ่งจะทำให้ใจเย็นใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกพอมีความสุขจากการ รักษาศีลได้ก็อยากจะให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปกว่านั้นก็อยากจะเพิ่มการรักษาศีลจาก5ข้อขึ้นไปเป็น8ข้อคือจะหยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายเช่นหยุดการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหยุดการความสุขจากการลดปรทานอาหารเกินความจาเป็น คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็พอพออยู่ได้ไม่ต้องมาคอยวุ่นวายมาคอยกังวลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารไปจนถึงเวลาค่าถึงเวลานอนความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารนี้สู้ความสุขจากการที่เอาเวลามาทำใจให้สงบไม่ได้ พราผู้ที่ถือศีลแปลนี้ก็มีเป้าหมายอยู่ที่การไปทำใจให้สงบนั่นเองการจะทำใจให้สงบได้ก็ต้องยุติกิจกรรมทางร่างกายไปกิจกรรมที่จะใช้ร่างกายหาความสุขก็จะยุติไปเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหรือกับใครก็ตามไม่รับประทานอาหารมากเกินไป ไม่ไปหาความสุขจากการไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรต่างๆในยามค่าไม่ออกไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ไปดูไปฟังสิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสุขขึ้นมาไอ้ละเว้นสิ่งเหล่านี้ไม่หาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายด้วยการแต่งกายเสื้อผ้า สวยที่ ส, ยสวยๆงามๆใช้เครื่องสำอางต่างๆแต่งผ้าแต่งผมแต่งหน้าแต่งตาใช้น้ํามันนะใช้น้ําหอมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาาและเป็นความสุขตื้นๆไม่ได้ทำให้ใจนั้นมีความสุขมากเลยไม่เหมือนกับความสุขที่จะได้จากการมาทาใจให้สงบแล้วก็ยุด นอนไม่ให้มากเกินไปนอนพอประมาณพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายนี้ต้องการพักคืนหนึ่งก็ไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงก็พอถ้าอยากจะนอนเดีย๋ยวไม่นานก็ต้องนอนบนพื้นแข็งแข็งถ้าไปนอนบนฟูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอคือได้นอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมา แต่ถ้านอนบนพูกหนาๆมันก็มีความรู้สึกสบายใจก็จะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อก็จะเสียเวลากับการหลับนอนไปอีกหลายชั่วโมงแทนที่จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาทาใจให้สงบมาหาความสุขที่เป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่จะสามารถหาได้ตลอดเวลา ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรเราต้องพยายามคิดเสมอว่าร่างกายของเรานี้มันจะแก่ลงไปเรื่อยๆมันจะหมดความสามารถที่จะทำที่จะหาความสุขให้กับเราได้ไปเรื่อยๆความสามารถของมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆล้วต่อไปมันจะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุข จากการทำใจให้สงบเราจะเดือดร้อนมากเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้เราจึงต้องมาฝึกทำใจให้สงบกันมาถือศีลแปดกันด้วยการเริ่มต้นในวันพระหรือวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆเราเอาวันนั้นมาฝึกสร้างความสุขทางใจ มาหยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายเวลาที่เราเริ่มทำนี้เราจะรู้สึกว่ามันยากและทรมานใจเพราะว่ามันเป็นการฝืนเราเคยมีความสุขกับกิจกรรมทางร่างกายพอเราไม่ได้ทำนี้เราจะรู้สึกทรมานใจแต่ก็ขอให้คิดว่ามันเป็น ความทรมานใจที่จะนําไปสู่ความสุขใจต่อไปดีกว่าการที่จะมีความสุขใจกับการหาความสุขทางร่างกายแล้วกจ็จะต้องไปทรมานใจในในบ้านปลายในเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทําหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้เวลานั้นความทุกข์ทรมานใจนี้จะยิ่งใหญ่มากกว่าความทุกข์ทรมานใจ ที่เกิดจากการละเว้นการหาความสุขทางร่างกายในขณะที่เรายัางสามารถที่จะใช้ร่างกายนี้หาความสุขได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําแบบทุกวันตอนต้นเราก็เพียงทําอาทิตย์ละหนึ่งวันเท่านั้นเองและพอเราทําไปแล้เราได้สัมผัสกับความสุขทางใจ มันก็จะทำให้เรานี้สามารถระ ง, งับความทุกข์ทรมานใจจากการไม่ได้หาความสุขทางร่างกายได้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะสามารถดับความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการไม่หาความสุขทางร่างกายได้แล้วก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะ หยุดการหาความสุขทางร่างกายเพิ่มมากขึ้นไปเพราะจะเห็นว่าอาจจะทุกตอนเบื้องต้นแต่พอทําใจให้สงบได้เมื่อไหร่ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้หาความสุขทางร่างกายมันก็จะหายไปแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบใจก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้ผู้ที่ต้องการความสุข ที่แท้จริงและความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี้จําเป็นจะต้องกล้าหาญต่อความทุกข์ทร ม, มานใจที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะที่เราปฏิบัติสร้างความสงบทางใจเพราะเวลานั้นเราจะต้องปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวอยู่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆที่เคยให้ความสุขกับเรา เวลานั้นเราจะรู้สึกว่ามีความทุกข์ทรมานใจแต่พอเราควบคุมใจทําใจให้สงบได้แล้วความทุกข์ทรมานใจเหล่านั้นก็จะหายไปและแล้วเราก็จะได้ความสุขใจที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายหาความสุขนี่แหละคือ การดำเนินของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระองค์ก็สรงสละความสุขทางร่างกายสละความสุขของพระราชโอรสที่มีปราสาทสามฤ ด, ดูมีสัตว์มีบริวารมาคอยรับใช้มาคอยให้ความสุขมีอาหารมีเครื่องดืม่มทุกแบบทุกรสทุกชนิดมาให้เสพให้สัมผัสแต่ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขบลอม เป็นความสุขที่มีความทุกข์คอยรออยู่ข้างหน้าองค์จึงมีความกล้าหาญตัดสินใจสละความสุขแบบนี้แล้วมุ่งไปสู่ความสุขที่ถาวรความสุขที่ดีกว่าแต่จะต้องผ่านความทุกข์ทรมานใจในขณะที่ยังไม่สามารถทำใจให้สงบได้ในขณะนั้นต้องใช้ขันติความอดทน ต้องใช้วิริยะความอุตสาหะพยายามที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ควบคุมความคิดความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจนั่นเองพอถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยากได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วทีนี้ก็จะมีแต่ความสุขใจ ความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากขณะที่ทำความเพียรนั้นก็จะหายไปจะไม่มีความหมายจะเห็นว่าความทุกข์แบบนั้นเป็นความทุกข์ที่นำไปสู่ความสุขเป็นเหมือนกับการลงทุนก่อนที่เราจะได้สิ่งของมาเราก็ต้องเสียเงินเสียทองจ่ายเงินก่อนเราถึงจะได้ของที่เราต้องการ จันใดถ้าเราต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ต้องยอมทุกขกับความการสละความการหาความสุขทางร่างกายไปถ้าเราไม่ยอมเราจะไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่ได้จากความสงบได้เลยเราต้องผ่านความทุกข์อันนี้ไปก่อนความทุกข์ที่เกิดจากการรักษาศีลแปด ความทุกข์ที่เกิดจากการไปอยู่ตามลำพังในสถานที่สงบที่วิเวกที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากการคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไปในในไ ป, ไปในเรื่องราวต่างๆให้ใจหยุดคิดให้ใจรวมเข้าสู่สมาธิช่วงนี้เป็นช่วงที่ทรมานใจอย่างมากแต่ถ้ามีความอดทนมีความเข้มแข็ง มีความเพียรความพยายามจเจริญสติไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนแล้วพอได้เข้าสู่ความสงบแล้วทีนี้จะไม่รู้สึกทุกข์ทรมานใจเลยจะไม่กลัวความทุกข์ทรมานใจแบบนี้อีกต่อไปจะกล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์ทรมานใจแบบนี้อย่างไม่สะทกสะท้าน อยากจะไปอยู่คนเดียวอยากจะไปถือศีลแปดอยากจะไปเจริญสติควบคุมความคิดให้มากขึ้นเพราะเห็นผลที่จะได้รับจากการทำใจให้สงบนี้มันคุ้มค่าคุ้มเหนื่อยเหมือนกับลงทุนเพียงไม่กี่บาทซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคนนึงทุ่มเทกันซื้อลอตเตอรี่กันเพราะเห็นว่าถ้าได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วมันคุ้มค่ามาก นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เราจะไม่ได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะพบแต่เรื่องของการหาทรัพย์หายศยศรัสรเซิญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันเวลาที่เราสูญเสีย สิ่งที่เรารักที่เราชอบไปกันเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ถาวรทุกข์เพราะว่ามันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดไปมันจะต้องเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ ยิ่งมีความต้องการให้เป็นไปมากเท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ไปอยากให้ไม่อยากได้มันมาเราก็จะไม่ต้องมีทุกข์กับสิ่งเหล่านี้การที่เราจะไม่ไปยุ่งกับมันได้เราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราลดการหาลาบยศสารสรนสุขถ้ามีมากเกินไปก็ให้เอาไปแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลดูแลรักษามันเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปควบคุมใจไปทำใจให้สงบถ้าเรายังคอยวุ่นวาอยู่กับเรื่องการหาลาบยศ ส, สรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะออกไปหาความสงบกันได้เราต้องลด การแสวงหาลาบยศต่างๆให้มันน้อยลงไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลาออกไปหาความสงบกันถ้ายัางต้องหาก็หาเท่าที่จําเป็นหาทรัพพอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอถ้าหาแบบนี้นี้ไม่ต้องใช้เวลามากทําให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นทําให้เรามีเวลาไปรักษาศีลแปดไปปฏิบัติทําใจให้สงบได้น ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับความสงบเลยถ้าเรายังมั่วอยู่เรายังวุ่นวายอยู่กับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราต้องพยายามลดละการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงเกิดลดผลทพะให้น้อยลงไปตามลำดับจนไม่หามันเลยนอกจากการดูแลรักษาร่างกายให้ อยู่เป็นปกติสุขเท่านั้นก็พอหน้าที่ของเราเกี่ยวกับทางร่างกายมีเพียงเท่านี้ดูแลร่างกายให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายนี้ไปปริกวิเวกไปรักษาสีนแปดไปเจริญสติเพื่อทาใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อกำจัดตัณหาความอยากต่าง ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจเราต้องทําแบบนี้เพราะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาและทรงนํานมาสั่งสอนพระอาลันตสาวกก็บําเพ็ญด้วยวิธีนี้โดยการเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพอได้ยินได้ฟังแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็สามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงเป้าหมาย ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งไปถึงก็คือความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการมาพบกับพระพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งที่หายากได้อย่างอย่างอย่างมากทีเดียวเพราะพระพุทธศาสนานี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มาปรากฏให้เราได้พบปาบบ่อยนะัก นานๆถึงจะมาเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งการจะมีพระพุทธศาสนาได้นี้จะต้องมีพระโพธิสัตว์มาตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าและหลังจากตัดสรุแล้วต้องเอาคำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนจึงมีพระพุทธศาสนามาเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางพาให้เราปฏิบัติไปสู่การดับทุกข์ได้ ถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์มาตรัสโลภเป็นพระพุทธเจ้าหรือถ้ามีแล้วไม่ไม่สงสนพระไทยที่จะนำสิ่งที่ทรงรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นที่พึ่งของพวกเรามาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทางให้แก่พวกเราแล้วนานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเป็นเวลาห่างกันเป็นหลายกับด้วยกัน คำว่ากับนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนไม่สามารถคำนวณได้ด้วยตัวเลขมีการเปรียบเทียบ ว, ว่าเวลาหนึ่งกับนี้เป็นเหมือนกับเวลาที่เราทุกร้อยปีเราเอาผ้ามารูปภูเขาพสุเมรหรือภูเขาฮิมาลัยภูเขาที่สูงสุดที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกร้อยปีมารูปหนึ่งครั้งให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า ภูเขานี้จะสึกหายไปจากการรูปของเรานี่ยนั่นแหละจะได้เวลาหนึ่งกับด้วยกันคิดดูแล้วกันว่าเราจะต้องมารูปภูเขานี้สักกี่ครั้งมันถึงจะเสื่อมหายไปมันจะสึกมันถึงจะหายไปหมดนนั่นแหละคือเวลาอันยาวนานของหนึ่งกับด้วยกันนานๆถึงจะได้มีพระพุทธเจ้ามาตารัสโลและมาประกาศพระธรรมคําสอนมา มาสถาปนาพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งแก่พวกสัตว์โลกถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่อยู่ถึงห้าพันปีแต่พระองค์ก็สามารถทำให้คำสอนของพระองค์นี้อยู่ไม่ได้ถึงห้า0ห้าพันปีด้วยการสั่งสอนสร้างพระอาลันตสาวกขึ้นมาแล้วก็ให้พระอาลันตสาวกนี้ทำหน้าที่แทนพระองค์ สั่งสอนผู้อื่นเพื่อที่จะสร้างพระอาถรรพตสาวกขึ้นมาทําหน้าที่แทนกันนี่ก็ยังมีการทําหน้าที่เหล่านี้นอยู่ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วคือสองพันห้า้อกว่าปีแล้วแล้วก็จะมีต่อไปจนประมาณห้าพันปีด้วยกันหลังจากนั้นแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมหมดไปเพราะไม่มีผู้ที่จะให้ความสนใจหรือมีความสามารถ ที่จะศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วเพื่อที่จะได้เอาคำสอนความรู้นี้มาสอนผู้อื่นอีกต่อไปถ้าไม่มีพระอาหารหันต์มาสืบทอดพระคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะหายไปเพราะไม่มีคนเข้าใจไม่รู้จักว่าทําอย่างไร อ่านก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ก็จะไม่มีผลก็เลยจะไปก็เลยไม่เห็นคุณค่าของคำสอนต่อไปคำสอนก็จะหมดความหมายต่อสัตว์โลกไปแล้วก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้มาสั่งสอนใหม่ถึงจะมีผู้มีศรัทธา มีความเชื่อนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุผลต่อไปได้พวกเราถือว่าโชคดีที่เรายัางได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่ยังมีพระอาหารหันต์มาคอยสั่งมาคอยสอนพวกเราให้พวกเราปฏิบัติกันเพราะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์มาสั่งสอนนี้ท่านจะไม่มีความมั่นใจการสั่งสอนของท่านนี้อาจจะไม่ได้ทําให้เรา รู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติตามเพราะเมื่อผู้สอนไม่มั่นใจผู้ฟังก็ฟังแล้วก็จะไม่มั่นใจแต่ถ้าผู้สอนเป็นพระอาหารหันต์ได้ผ่านได้รับผลที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติแล้วพูดด้วยความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นว่าวิธีนี้ถูกแล้วทำไปนับรองได้ว่าได้ผลอย่างแน่นอน พอมีผู้ยืนยันอย่างนี้ด้วยความมั่นใจผู้ฟังก็จะเกิดความมั่นใจเกิดศรัทธาที่จะพยายามปฏิบัติตามนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆก็คือต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติและมีการบรรลุขั้นพระอรหันต์กันถึงจะสามารถที่จะรักษาพระศาสนานี้ให้คงอยู่ต่อไปได้ ถ, ถ้าไม่มีพระอาหารหันต์มาสั่งสอนการศึกษาก็จะไม่มั่นใจกันการปฏิบัติก็จะปฏิบัติกันแบบไม่มั่นใจผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาพอไม่ปรากฏผลก็เลยเกิดความเห็นผิดไปคิดว่าการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานนี้หมดสภาพไปแล้วที่หมดก็เพราะว่าขาดคนนำคนสอนที่มีความแน่วแ น, แน่มั่นใจนั่นเอง ตอนนี้เรายังมีครูบาอาจารย์อยู่ที่สามารถให้ความมั่นใจแก่พวกเราได้ขอให้พวกเราเชื่อและปฏิบัติเถิดแล้วผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับกันอย่างแน่นอนขอให้เรามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเท่านั้นรับรองได้ว่าเราจะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน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 สัพเพปุรินตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีคาโยโภพวะ อาพิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารุธรรมวาัทานติอายุวันโอสุขังภาลาัาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถาม ก็ออขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ถามไม่ตอบอีกต่อไปถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรอ่านคำถามมาจากทางบ้านพูดใกล้ๆ้ไมโครโฟนหน่อยนะเสียงจะได้ดังชัดราบมับาช ก, การหลวงพ่อค่ะ คือจะสอบถามว่าทุกครั้งที่นั่งพอนั่งปุ๊บทวรมันจะหมุนนะคะขอทราบสาเหตุมันก็เป็นเรื่องของปฏิกิริยาของจิตใจเราพอเวลามันถูกควบคุมบังคับนี่มันจะพยศมันก็จะสร้างอาการแปลกๆต่างๆให้กับเราวิธีที่เราปฏิบัติกันคืออย่าไปสนใจมันให้เราใช้พุโทโธ ควบคุมบังคับมันถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปแล้วไม่สนใจกับเรื่องการหมุนต่อไปเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองถ้าไปอยากให้มันไม่หมุนหรือไปยุ่งกับมันไปไปยิ่งเหวี่ยงยิ่งไปกันใหญ่อย่าไปสนใจมันเป็นกิเลสที่มันจะม า, าขัดขวางการทำใจให้สงบอย่าไปสนใจขอให้เราเกาะติดอยู่กับคำบา ร, รมพรีพุโทโธพุทโธไปอย่างเดียว ไม่ต้องไปสนใจว่ามันหมุนไม่หมุนหมุนช้าหมุนเร็วหรือมันจะเป็นอะไรอย่างอื่นก็เช่นกันอย่าไปสนใจมันเป็นกําลังที่จะมาดึงให้สติเราเผลอไม่ให้เราเกาะอยู่กับพุทธโธให้เราเกาอติดอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะสงบตัวลงเองแต่ช่วงแรกๆมันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันเหมือนกันเป็นการชักระเยอะกันช่วงใหม่ๆนี้มันอาจจะมีกําลังมาก ถ้ามันพุโทโธไม่อยู่ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนแรงต้านมันมีมากแล้วแรงพุโทโธของเรามีน้อยสู้มันไม่ได้เราใช้แรงสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดยาวๆสวดบทไหนก็ได้อาจจะสวดสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยก็ได้แล้วพอรู้สึกว่ามันเริ่มสงบตัวลงแล้วเราค่อยลองมาพุโทโธต่อค่ะคือบางทีมันก็หาย พอบริการพุทธโทรเสร็จมันก็หายอบางทีเราก็ตึงกับมันมากจะเวียงทําไมมันก็หยุดพอถามมาเสร็จมันหยุดหยุดเสร็จสักพักมันก็เวียงออย่าไปคุยกับมันใช้พุทโธรอย่างเดียวใช้สติอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะหยุดมันได้พอไปคุยกับมันเดียวมันก็เราก็ปล่อยพุทโธไปพอปล่อยพุทโธมันก็มีกําลังเหวียงใหม่แลค่ะสาวน้ำสักการทุกอ่า คำถามจากทางบ้านจากคุณนวลสีปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนความจำสั้นไม่เก็บอะไรไว้ในจิตเลยความรู้สึกคือไร้สาระไปหมดค่ะเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเราจะดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันเราจะไม่ให้ป่อยมันไปอดีตไปอนาคตมันก็เลยจะเลิมเรื่องต่างๆไปได้อย่างง่ายได้รวดเร็วคาถามจากคุณมุกดา จิตคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรและทำหน้าที่อะไรคะจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดจิตไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายจิตเเหมือนความว่างเราไม่สามารถที่จะใช้ตาของเรานี่ดูจิตได้การจะดูจิตนี้ต้องดูด้วยการทำใจทาจิตให้สงบเวลาจิตสงบจิตจะรวมตัวไปอยู่กับผู้รู้สักแต่ว่ารู้อยู่เพียงลำพัง อันนั้นละก็คือตัวจิตแล้ววิญญาณคืออะไรคะวิญญาณนี่มีสองความหมายวิญญาณที่เวลาร่างกายคนตายไปจิตออกจากร่างกายเราก็เรียกจิตดวงนั้นว่าเป็นดวงวิญญาณส่วนวิญญาณที่มีอยู่ในขันขันสี่ในขันห้าอันนี้เป็นอาการหรือเป็นเป็นผู้ทาหน้าที่ให้กับจิตเชื่อมต่อระหว่าง ตาหูจมูกนิ้นกายกับจิตวิญญาณนี้จะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมเชื่อมเวลาที่มีรูปมาสัมผัสกับตาก็จะมีวิญญาณมารับรูปนั้นส่งไปให้ที่จิตอีกทีนึงแล้วจิตก็จะวิเคราะห์ดูว่ารูปนั้นเป็นรูปใครเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพื่อนเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของออว้นสัญญา ตอนต้นจะวิญญาณจะเป็นผู้รับข้อมูลจากทางข้างนอกเข้ามาสู่ใจรับข้อมูลคือตรรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าไม่มีวิญญาณจิตก็จะไม่รู้ว่ารูปเป็นมีรูปมามีเสียงมามีกลิ่นมาเพราะเช่นเวลาจิตสงบเข้าไปสู่ความสงบรวมรวมกันเป็นหนึ่งตอนนั้นวิญญาณก็หยุดทำงานชั่วคราว ตอนนั้นก็จะไม่รับรู้เรื่องอะไรที่ผ่านเข้ามาทางร่างกายแต่พอจิตถอนออกมาวิญญาณก็จะออกมาทำงานวิญญาณก็จะมาที่ตาหูจมูกเล้นกายแลวพอมีรูปเสียงกลิ่นรสมาสัมผัสมันก็จะส่งไปให้ใจิส่งไปให้จิตส่งไปให้ใจจิตก็จะรับรู้ว่า อ, อ๋อตอนนี้มีรูปเช่นตอนนี้มีเสียง ถ้าเวลานั่งสมาธิจิตรวมเต็มที่นี้จะไม่ได้ยินเสียงเลยจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยจะไม่รู้ว่ามีร่างกายเลยเวลาจิตสงบเต็มที่รวมเป็นหนึ่งเขาเรียกว่ารวมเป็นอัปปนาสมาธินี่มันจะหายไปหมดเลยเพราะตอนนั้นวิญญาณหยุดทำงานอันนี้คือวิญญาณในขันห้าอันนี้ไม่ใช่ตัวจิตเป็นลูกน้องเป็นอาการของจิต แต่เวลาที่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปแล้วจิตที่ต้องออกจากร่างไปอันเราก็เรียกจิตที่ออกจากร่างว่าเป็นดวงวิญญาณยั้นต้องเข้าใจว่ามีสองความหมายด้วยกันคําถามจากคุณทัชพลการทําบุญถ้ามีความบริสุทธิ์ครบทั้งสส่วนคือตัวเราทานและผู้รับและมีความยินดีทั้งในขณะที่ทําก่อนและหลังทํา แต่เราต้องการทำบุญเพื่อละความอยากเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมในการไปนิพพานแบบนี้เราจะคิดว่าทำบุญแล้วก็ดีแล้วแล้วก็ลืมลืมไปไม่ติดในบุญการคิดแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับเพราะบางที่ได้สอนว่าเวลาทำบุญแล้วก็ควรระลึกถึงบุญได้เวลาระลึกถึงก็ยังมีความยิ น, ยนดีในบุญอยู่ผู้ปรารถนาจะไปนิพพานควรคิดอย่างไรครับ คือการทําบุญก็เพื่อละกิเลสละความตนเอความผูกพันความหลงที่ให้ความสําคัญกับสิ่งของต่างๆซึ่งความจริงไม่มีความสําคัญกับเป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจโดยเมื่อรู้สึกตัวการทําก็เพื่อละความโลภความอยากได้ความหวงในสิ่งของต่างๆเหล่านี้แต่เมื่อทําไปแล้วก็จะเกิดความสุขใจเบาใจ ที่เรายัางสามารถระลึกถึงได้ถึงแม้ว่ามันผ่านมาแล้วในอดีตพอเราคิดถึงบุญที่เราทำก็ทำให้เรามีความสุขใจสบายใจได้อันนี้ก็ทำได้ทั้งสองรูปแบบทำแล้วลืมไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงมันก็ได้หรือทำแล้วบางทีคิดถึงมันก็ไม่เสียหายอะไรคิดถึงมันมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือได้ทให้ผู้อื่นที่เขาทุกข์ยากลบาบากนี่เขาสบายใจ ก็ทำให้เราสบายใจขึ้นมาได้ซึ่งบางครั้งบางเวลาเราไม่สบายใจเราไปคิดถึงบุญที่เราทำมันก็จะช่วยดับความไม่สบายใจของเราได้เหมือนกันคําถามจากคุณสุ ข, ขุมการปฏิบัติธรรมที่บ้านกับที่วัดต่างกันไหมครับก็เหมือนกับการรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่เหมือนกัน รักษาที่โรงพยาบาลนี้มันเครื่องม้เครื่องมือหมอพยาบาลยูกยามันครบหมดแต่รักษาที่บ้านนี้มันมีบางอย่างขาดบางอย่างอาจจะรักษาโรคบางอย่างที่บ้านได้แต่มแต่โรคบางอย่างนี่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมที่จะให้ขั้นสูงๆงนี่ปฏิบัติที่บ้านนี้มันยากกว่าปฏิบัติที่วัดเนี่ยวัดก็ตักเป็นวัดที่ เป็นวัดปฏิบัติคือวัดที่ไม่มีกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่มีสาราสวดศพไม่มีงานวัดมีมอห์ลศพบันเทิงอะไรต่างๆถ้าวัดแบบนั้นเราไม่ถือว่าเป็นวัดวัดที่แท้จริงต้องเป็นวัดที่สงบเช่นวัดป่าวัดเขาถึงจะเรียกว่าเป็นวัดวัดที่ต้องห่างกายจากแสงสีเสียงห่างกายจากกิจกรรมทางร่างกายไป มีแต่ผู้เดินจงกรมนั่งสมาธิบำเพ็ญจิตตภาวนาถึงจะเรียกว่าเป็นวัดที่แท้จริงคำถามจากคุณชัยพึก์หลังจากสวดมนต์เสร็จผมจะเดินจงกรมพร้อมกับพิจารณาร่างกายเป็นของเน่าเปื่อยไม่สวยงามทุกเช้าขณะพิจนารณาไปด้วยความคิดเข้ามาแทนที่แต่สลัดความคิดนั้นทิ้งแล้วกลับมาพิจนารณาเริ่มต้นใหม่สับไปสับมา การเดินพิจารณาอย่างนี้จะทําให้จิตโน้มไปทางปล่อยวางไหมครับถ้าคิดบ่อยๆแล้วคิดจนไม่ลืมมันก็จะปล่อยวางได้เวลาที่ความหลงมาหลอกให้เราเห็นว่าร่างกายสวยงามถ้าเรายังไม่ลืมอสุภะอสุภะนี้ก็จะมาตอบโต้ความหลงที่บอกว่าร่างกายสวยงามเพราะว่าส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายก็มีอยู่ เองแต่ว่าเราไม่มองมันหรือมองมันไม่เห็นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆนี้ก็เท่ากับเป็นการสอนใจของเราให้มองในส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายพอเวลาเราไปเห็นส่วนที่สวยงามของร่างกายแล้วเราเกิดความหลงรักข้างไคล้ขึ้นมาเราก็ใช้ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายนี้มาดับความหลงนี้ได้ แต่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเลยเราจะไม่มีสิ่งที่จะมาแก้ความหลงไหลข้างใครได้ดการที่เราจะเดินทำต่างๆนี้ก็เพื่อที่จะมาแก้ความหลงต่างๆที่หลอกให้เราต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆนั่นเองคำถามจากคุณสาลุดข้อหนึ่งผมเคยปฏิบัติด้วยความอยากบรรลุและเพ่งลมหายใจจนปวดตาขมับ และหายใจไม่ค่อยสะดวกทำให้มีอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิและการใช้ชีวิตประจาวันผมควรแก้ไขอาการนี้อย่างไรครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่เป็นปัญหานี่มันเป็นเพราะอะไรกันนะเพราะความอยากไปนิพพานนี้มันก็ต้องมีเหมือนกันถึงจะปฏิบัติได้ถ้าเราไม่อยากไปนิพพานเราอยากไปเที่ยวเราก็คงจะไม่มานั่งสมาธิกันนยมันก็ต้องมีความอยากไปนิพพานเนี่ย แต่ขณะที่เราทำนั้นเราไม่ควรที่จะคิดถึงความอยากเหล่านั้นเวลาที่เรานั่งทำสมาธิเราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เราต้องอยู่ด้วยการทำสมาธิก็เพื่อให้ใจเป็นหนึ่งใจสงบเราก็ต้องมีอะไรให้ใจจดจ่อรับรู้อยู่เพียงเรื่องเดียวอย่างเดียวเช่นให้อยู่กับพุโทโธเราก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปให้อยู่กับลมหายใจเราก็ หายใจดูลมหายใจไปแต่ณนะขณะที่ดูก็อย่าไปมีความอยากให้มันสงบอยากให้มันถึงนิพพานตอนที่ปฏิบัตินี้ต้องอย่าไปคิดถึงความอยากต่างๆให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่างเดียวอย่าไปคิดปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นความอยากหรือไม่อยากก็ตามอย่าให้มันมามีส่วนเกี่ยวข้องในขณะนั้น เพราะมันจะทำให้ใจไม่สงบและอาจจะทำให้ใจตึงเครียดขึ้นมาได้ข้อ2ในขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่สังเกตว่าเรื่องที่ค้างในใจจะขึ้นมาลบกวนอยู่ตลอดเป็นเรื่องแฟนเก่าที่ตัดไม่ขาดผมควรใช้อุบายอะไรในการพิจารณาแก้ไขอาการดีครับก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้สติ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วพอถ้าใจมีพุโทโธคอยดึงไว้เรื่องที่เป็นอดีตมันก็จะหายไปมันก็จะไม่มาสร้างความรบกวนใจให้กับเราวิธีที่สองก็คือให้พิจารณาว่ามันเป็นตายรักษณ์มันผ่านไปแล้วเหตุการณ์ที่เคยมีอะไรกับเขามันตอนนี้มันเป็นอดีตเป็นเหมือนความฝันแล้วเหมือนกับเมื่อคือนนี้เรานอนหลับ แล้วเราไปมีอะไรกับแฟนเราแต่พอเราตื่นขึ้นมาเหตุการณ์นนะั้นมันก็ผ่านไปแล้วไปคิดมันก็ทำให้จิตใจเราวุ่นวายไปเปล่าๆถ้าใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นอดีตไปคิดด้วยความอยากก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปสนใจมันคำถามจากคุณชัยประสิทธิ์เมื่อเราเห็นจิตเห็นกาย แล้วอุเบกขาแล้วมันว่างแต่รู้ว่าว่างอันนี้คืออะไรครับก็จิตสงบนะแต่ถ้าใจว่างใจเป็นอูใบขาก็แสดงว่าใจสงบแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปครับก็รักษาความสงบความว่างนั้นให้อยู่ไปเรื่อยๆคำถามจากผู้ฝากถามเป็นลูกที่ต้องเลี้ยงดูแม่ที่เอาแต่ใจ เจ้าอารมณ์และต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในบ้านแต่แม่ก็ไม่เห็นความดีแถมยังดุด่าทาให้เสียใจพยายามไม่สนใจว่าเขาจะพูดอย่างไรทำอย่างที่พระอาจารย์สอนแล้วแต่สุดท้ายก็ทนไม่ได้รู้สึกอึดอัดและเสียใจเวลาถูกแม่ด่าด้วยคำพูดแรงๆบางครั้งรู้สึกถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายหนีเขาจะได้จบๆแต่ก็รู้ว่าไม่จบ ถ้าจิตอยู่ในสภาพนี้คงปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าถ้าจะไม่พูดคุยกับแม่เลยเพื่อตัดปัญหาที่จะถูกดุดา่าอย่างนี้บาปไหมคะถ้าไม่จำเป็นต้องพูดก็ก็ไม่ต้องพูดกันหรือว่าถ้าถ้าต้องพูดหรือว่าต้องให้เขาพูดก็ปล่อยเขาพูดไปเรามีหน้าที่ฟังเราก็ฟังไปเฉยเฉยให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเสียงที่เราได้ยินนี้มันเป็น อนัตตา ก, ก็คือเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้ไม่ต้องการได้ยินเสียงนั้นเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจความทุกข์ใจอยู่ที่ความอยากของเราที่ไม่อยากจะได้ยินเสียงนั้นท่านั้นเองเรเราต้องทําใจสอนใจว่าถ้าเรายังต้องได้ยินเสียงนั้นอยู่เราไม่มีทางหลีกเรี่ยงเราก็ปล่อยให้มันพูดไป <S 2> <S 2> <S ปล่อยให้เสียงนั้นพูดไปเรื่อย เราก็ฟังไปแต่อย่าไปอยากให้มันไม่มีเสียงไม่พูดพอเกิดความอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราห้ามความอยากไม่ได้ในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแข่งกับเสียงนั้นเสียงก็จะพูดไงแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธสู้ก่อนมันไปถ้าเราอยู่กับพุทโธเราก็จะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร เราก็จะพูดไงไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เบื้องตน้นถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้สติไปก่อนใช้พุทโธเนี่ยเป็นเหมือนยาหม่องรักษาได้ทุกโลกทุกกับเรื่องอะไรถ้าใช้ปัญญาแก้ไม่ได้ก็พุทโธไปก่อนเลยโมโหใครก็พุทโธไปรักใครคิดถึงใครก็พุทโธไปเดี๋ยวมันหายไปหมดอ และถ้าออกมาปลีกวิเวกเพื่อหลบแม่สักพักให้ได้มีเวลาอยู่คนเดียวได้ปลีกวิเวกแล้วฝากน้องชายหรือหลานชายดูแลแม่แทนอย่างนี้จะบาปไหมคะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกก็คนเราก็ต้องเวลาไปเที่ยวต่างประเทศยังไปได้เลยแล้วไปปลีกวิเวกทํานี่ไปไม่ได้ถ้าตราบใดมีคนดูแลแม่ก็ไม่เดือดร้อนอาจจะดีซิ่ง ก, ก็ได้แม่ก็อาจจะเบื่อที่หน้าเราไปได้ก็ดี เอาเด็กมากเอาเลยลองดูออาให้หมดเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคำถามจากคุณดุกดิกข้อหนึ่งการปฏิบัติธรรมรูปแบบไหนให้ได้นิพพานคะก็รูปแบบของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกส่วนใหญ่ก็ต้องออกบวชกันสละความสุขทางร่างกายสละเพศของคารวาสไปถ้ายังสละไม่ได้ก็พยายามปฏิบัติเป็นนักบวชเทียมไปก่อนนักบวชเขา ก็เาเอยู่ยังไงกินยังไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นเช่นผ้าชันในบาแเราก็กินในกะละมังเอาข้าวอาหารต่างๆเทมันลงไปในกะละมังแล้วก็คุกมันเข้าไปแล้วก็กินก็ตักมันกินเข้าไปเหมือนกับผ้ากินอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นนัก บ, บวชได้เหมือนกัน ข้อสองได้ฟังพระอาจารย์หลายๆท่านเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรบางท่านก็บอกว่าอยู่ที่ตัวเรานึกคิดไปเองบ้างก็บอกว่าเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมที่ให้ผลมีกรรมเป็นของของตนเลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นไปตามหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องของเวรกรรมมีจริงหรือเปล่าคะคือคําว่ากรรมก็แปลว่าการกระทําการกระทําก็มีสาม การกระทําทางกายก็เรียกว่ากายกรรมการกระทําทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมการกระทําทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมเรานี่แหละเป็นคนทํากรรมทั้งสามนี้เช่นเวลาเราคิดจะทํานู่นทํานี่ก็เป็นมโนกรรมขึ้นมาแล้ววันนี้เราคิดจะมาทําบุญที่วัดกันก็เป็นมโนกรรม พอคิดแล้วเราก็พูดเป็นว จ, จีกรรมชวนเพื่อนหรือบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องให้รู้ว่าวันนี้จะไปวัดใครอยากจะไปก็ไปไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปอันนี้ก็เป็นว จ, จีกรรมแล้วพอเรามาที่นี่เราก็นำาเอากับข้าวกับเอาข้าวของต่างๆมาถวายพระอันนี้ก็เป็นกายกรรมกรรมนี้มันก็มีสามรูปแบบกรรมดีกรรมไม่ดีและกรรมกลางๆไม่ดีไม่ชั่ว ตอนนี้วันนี้เรามาทำกรรมดีวันนี้เรามาทำบุญให้ทานเรามารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างกรรมดีพอทำกรรมดีมันก็จะมีวิบาก ค, คือผลของกรรมดีปรากฏเช่นใจจะมีความสุขจะมีเพื่อนจะมีอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการทำความดีแล้วเวลามีเหตุการณ์ภายในภาคหน้าความดีเหล่านี้ก็จะมา ส่งผลให้กับเราได้เช่นเราเดือดร้อนเพื่อนฝูงที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากเราพอเขาทราบข่าวเขาก็จะรีบมาช่วยเหลือเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมเรานั่นแหละเป็นผู้เป็นเจ้ากรรมในเวเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาส่วนผลนี่เราก็ต้องเป็นผู้รับมันรับก็คือถ้าเราไปทําดีเราก็จะได้รับผลดีจากผู้อื่นทําดีกับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะตอบแทนความดีของเรา ทำร้ายกับผู้อื่นเขาก็จะตอบแทนกับเราเราไปทำร้ายผู้อื่น <Okay. S 1> ผู้อื่นเขาก็จะมาตามทำร้ายเราถ้าเราเจอเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆก็ถือว่าเราคงเคยไปทำอะไรร้ายเลวมาในอดีตถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่ดีก็ถือว่าเราเคยไปทำเหตุการณ์ที่ดีมาในอดีตผลดีมันยึงปรากฏให้กับเรานี่ก็คือเรื่องของหลักของกรรมคือกฎแห่งกรรมส่วนตัวตัวตนที่เป็นเจ้ากรรมในเวนี้ไม่มี อันนี้เป็นเพียงแต่คำพูดพูดเปรียบเทียบเท่านั้นเองว่าการกระทาของเรานี่เป็นเจ้ากรรมในเวรของเราเท่านั้นเองคาถามจากคุณปาลวตีหากว่าหนมูมีเวลาฝึกสมาธิธไม่มากหลังสวดมนต์เช้าก่อนไปทำงานแค่ไม่เกินสามสิบนาทีหนูเปิดธรรมะของพระอาจารย์ฟังพร้อมกับกำหนดลมหายใจไปด้วยแบบนี้จะถือว่าเป็นการฝึกไหมคะ ก็เป็นการฝึกถ้ายิ่งดีขณะที่ทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการกระทําเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นการฝึกสติเป็นการปฏิบัติเราสามารถฝึกสติปฏิบัติได้ในทุกทุกเวลาทุกกริยาบทของการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะผูกใจของเราให้จดจ่ออยู่กับกิจกรรมต่างๆที่เรากําลังทําอยู่ได้หรือไม่ท่านั้นเอง ส่วนใหญ่แล้วใจเราไม่ค่อยชอบจดจอ่ออยู่กับกิจกรรมที่เรากำลังทาอยู่เราเราทำปั๊บแล้วเราก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้เกาะติดอยู่กับกิจกรรมการกระทาต่างๆที่เรากำลังทาอยู่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเรากำลังปฏิบัติเรากาลังเจริญสติ ถ้าเรามีสติแล้วเวลาเรามีเวลาว่างนั่งเฉยๆเราก็สามารถกำหนดดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องแล้วใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายดังนั้นขอให้เราพยายามฝึกสติกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามใช้ร่างกายนี้เป็นที่ตั้งสติก็ได้หรือใช้คำบริกรรมพุทธโธเป็นเครื่องตั้งสติก็ได้ การตั้งสตินี้เป็นการดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ใจลอยไปตามความคิดที่คิดไปในทางอดีตบ้างคิดไปในทางอนาคตบ้างเพราะถ้าปล่อยให้ใจไหลไปตามความคิดใจจะไม่มีวันสงบได้ใจจะสงบก็ต่อเมื่อไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจจะไม่คิดได้ก็จะต้องมีสติจดจ่ออยู่กับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุโทโธหรือจดจ่ออยู่กับ ก, บการกระทาเคลื่อนไหวของร่างกายในทุนทกอิริยาบถคำถามจากคุณสัตตบุตรเริ่มนั่งสมาธิส5หนาทีแล้วมีอาการหงุดหงิดและง่วงมากๆแต่ไม่นั่งกลับไม่ง่วงเป็นแบบนี้ประมาณสิห้าวันต่อมานั่งอีกช่วงหนึ่งนาทีแรกรู้สึกตัวหมุนมือใหญ่ตัวหนัก พักหนึ่งก็กลับมาเป็นอาการธรรมดาจากนั้นก็จะมีอาการแบบนี้อีกแต่จิตละลึกรู้ลมหายใจตลอดนั่งได้สามสิบหนึ่งสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงไม่มีอาการงูดงิดง่วงนอนอารมณ์สมาธิแบบนี้คืออะไรและควรทำอย่างไรครับถ้านั่งได้นานก็แสดงว่ามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไป คิดถึงเรื่องราวต่างๆเลิ่มไปสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมารบกวนใจนั่นเองก็พยายามสร้างสติให้มากขึ้นและพยายามนั่งให้บ่อยขึ้นว่ามาครับพระาอาจารย์อย่างตอนนั่งสมาธิครับในตอนแรกๆเลยเนี่ยพอมันเริ่มเข้าเข้าสมาธิได้เนี่ยตัวมันก็จะสั่นแล้วมันก็จะหายไปตรงเนี้มันเกิดจากที่เราสั่งหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเรากับการกําหนด ดูลมหายใจของเรามันชัดเจนมากขึ้นนะครับเวลาสั่นก็แสดงว่ากิเลสมันยังต่อต้านอยู่นะพอมันหยุดสั่นก็แสดงว่ากิเลสมันหยุดต่อต้านนะสติเรามีกำลังมากกว่ามันก็หยุดมันได้แล้วอย่างเวลาที่นั่งไปแล้วเนี่ยเริ่มเห็นเริ่มเห็นอะไรที่มันแวบๆบแบบเข้ามาครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์สอนนะครับว่าไม่ให้สนใจให้ดูแต่ว่าเร า, าดูอะไรก็ดูไปเงี้ครับ แล้วพอถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันก็จะเหมือนกับมีแสงสว่างมันมันก่อตัวจากจุดเล็กๆมาเป็นจุดใหญ่รอบตัวเราตรงเนี้ยเราจะไม่ต้องไปสนใจมันให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมไปเรื่อยๆจนกว่ า, าจิตมันจะรวมสงบนิ่งไม่ว่านั่งนั่งไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธที่เราใช้เป็นเครื่องเครื่องอเครื่องผูกใจเรา อย่าไปสนใจกับเรื่องไหนทั้งท่านเหมือนกับเวลาเราเดินทางจากนี่ไปบ้านเนี่ยเราต้องอยู่ในรถอย่าลงจากรถไม่ได้ขับไปกลางทางเห็นเขาขายก๋วยเตี๋ยวหายขายขนมก็กระโดดลงจากรถไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินขนมมันก็จบไปไม่ถึงบ้านเวลาขับรถอยากจะกลับบ้านให้เร็วๆนี่จะให้ถึงบ้านเร็วๆก็อย่าไปลงจากรถขับรถไปเรื่อยๆ ระหว่างทางจะมีอะไรให้เห็นให้ดูก็อย่าลงอย่าจอดอย่าแวะไปเรื่อยๆการภาวนาก็เหมือนกันถ้าเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมนี่แสดงว่าเรายังอยู่ในรถอยู่แต่พอเราไปสนใจกับแสงกับเสียงกับอะไรต่างๆที่ปรากฏให้เรารับรู้นี่แสดงว่าเราลงจากรถแล้วเราก็จะไปไม่ถึงบ้านไม่ถึงอัปปนาสมาธิ ครับพระอาจารย์แล้วอย่างตอนที่ผมก็ผมก็พยายามกําหนดดูที่ลมหายใจเข้าออกนะครับแล้วอย่างที่บอกไปครับพอมันเริ่มไปได้สักพักหนึ่งก็คิดว่ามันน่าจะสงบได้ละแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่มันวูบหายไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยครับในช่วงที่มันตรงนั้นคืออะไรครับก็มันหลับน้องสติเติรไปมันก็วูบหลับไปได้ครับขอบคุณครับอ่าหมดแล้วยัง ใช่หมดแล้วเหรอคำถามหมดแล้วอา่ามีข้อหนึ่งยกมือข้างหลังตับนมัสการค่ะคือเคยนั่งสมาธิแล้วเออ่บางทีมันรู้สึกเหมือนมันไม่ได้หลับแต่มันเหมือนบุบ นิดๆสัประมาณสักหนึ่งวินาทีนส ะ, ะสัปปงก็หนูจะสหลับในบางคนขับรถนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาหลับแล้ว เ, เขาว่าขับไปเรื่อยๆแต่สติก็ไม่สมบูรณ์แล้วพูดง่ายๆยังไม่สติไม่ครบรลอยแล้ว เ, ออเราคือหนูสงสัยว่าเราคือการนั่งสมาธิพอจะสงบแล้วมันต้องเข้ารวังก่อนมันคืออะไรคะหนูไม่ค่อยเข้าใจ เ, ออเข้าใจผิดกันถ้าเข้ารวังก็คือเข้าเข้าสมาธิแล้วคําว่ารวังก็คือ มันมีสองผวางผวังหลับกับผวังสมาธิเนี่ยนี่อยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่มีถ้าไม่มีสติมันก็จะเข้าผวังหลับถ้ามีสติมันก็จะเข้าผวังสมาธิแต่มันไม่ง่วงนะคะแต่มันไม่ได้ว่าง่วงไม่ง่วงมันหลับได้ทั้งนั้นอ่ะถ้ามันจะหลับมันไม่ต้องง่วงหรอกงั้นแต่ว่าคือแค่บ๊วินาทีหนึ่งแล้วก็คือกลับมาปกติแต่ว่าขาดสติไปหนึ่งวินาทีอะไรตอนนั้นค่ะก็อย่างนั้นแหละ ขอบคุณค่ะกล่าวในเทศกาลอีกรอบค่ะมีปัญหาว่าเวลาเดินจงกรมทุกครั้งนี่มันมันง่วงนอนอาจารย์เดินแล้วมันจะล้มเรามีการบริการพุทโธตลอดเวลาด้วยแต่ทำไมมันถึงเกิดอาการมึนมึนงงแล้วก็เดินแล้วมันจะโซเซอาจารย์เพก็ถ้ามันเดินจงกรมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเดินช้อปปิ้งมันไม่เป็นอ่ะ อันบางทีงทถ้ามันมีปัญหาเรื่องง่วงนอนบางทีก็ต้องไปอยู่ไปเดินได้ที่มันน่ากลัวดูไปเดินในป่าที่มีงูด้วยไปเรื่อนมาแล้วมันจะไม่ค่อยง่งนอนทำไไม่้่นตลอดก็ไม่ไดีะ <wirklich? S 1> ก็แก่ง่วงไปก่อนไ <palabra> งอ่ามีคนฝากถามนะครับอาจารย์เขาถามประมาณว่าปัจจุบันเนี่ยครับคําสอนแตกออกเป็นหลายสาขา คำถามคืออะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะครับก็วิธีทำสมาธิมันมีหลายวิธีไงมีสี่สิบวิธีด้วยกันยันถ้าวิธีไหนที่เราทำแล้วทาใจให้เราสงบได้ก็ถูกต้องเหมือนกันเรื่องของสมาธินี่มันมีวิธีต่างกันได้บ า, บางแห่งก็ยุบเนาะพองหนอบางแห่งก็พุทโธบางอย่างก็แ พ, พ่งลูกแก้วอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็เป็นใช้เป็นวิธีทําใจให้สงบได้เหมือนกันไม่เป็นปัญหาวิธีทําสมาธิแตกต่างกันแต่วิธีเจริญปัญญานี้ไม่ต่างกันถ้าปัญญานี้มันต้องเข้าใจรักต้องเข้าอริยสัจสี่ทั้งนั้นถึงจะเรียกว่าถูกทางถ้าไปเข้าเรื่องอื่นแล้วก็ถือว่าผิดทางทันทีถามมากราบธรัสการพระอาจารย์ค่ะเคยนั่งสมาธิแล้วเออมันเคิมเหมือนหลับ แต่พอมีสติย้อนเข้าไปดูว็กกำลังเคลิ้มมันรู้สึกสว่างสว่างแล้วก็หายง่วงเลยอย่างนี้ก็แสดงว่ามีสติมันก็มันก็สงบใช่ใช่ได้ถ้ามันสว่างแล้วหายง่วงแสดงว่ามันได้สติกับคืนมาแล้วจิตก็กำลังจะสงบถ้าไม่มีสติมันก็จะหลับไปหลับขอบพระคุณค่ะอ่ดแล้วนะเวลาวันนี้ก็ หมดพอดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ใยพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ